เหงาเหานอนมาทับสมจิตการหลับนอนถีนเมตทธะความง่วงเหงาหานอนเนวรนทังห้ากามะฉันความรักใคร่พอใจในกามมาลมทั้งหลายพยาบาทความอิจฉาพยาบาทกันถีนามิทธะ คือความง่วงเหงาเหานอนมันพวกในวร์ทางนั้นอุทธัจะกุกุจจาจิตฟุ้งซ่านคือว่าจิตไม่สงบจิตไม่หยดจิตไม่โย่จิตไม่โลกีแหลกของตัวเองเลยมาหลงอยแค่ความสุขสงบสบายสบายในการหลับการนอนอยู่ เอาตัวนอนลงไปเรียกว่านอนแม้เราจะนั่งสมาธิโยถ้าขาดสติจิตมันง่วงเหงาเหานอนไปได้อนั้นก็คือว่านอนเรีกว่านอนแบบลิงลิงนั่นมันไม่ได้นอนเหมือนคนมันนั่งหลับแต่คนเราไม่ได้ไปดูลิงนอน แต่ว่าเรียนกับลิงได้ที่เรานั่งภาวนาเป็นง่วงเหงาเหานอนได้นะคือว่าเรียนสมาธิจากลิงลิงบกอกที่มันมาหากินใบไม้ตามข้างทรม้าปองเราเนี่ยนั่นแหละมันนั่งสมาธิลิงเหงานอนอย่าไปเรียนอย่างนั้น เมื่อนั่งสมาธิแล้วทําให้ยืดตัวให้เที่ยงตรงบ่าให้นั่งส่อมสอลงไปไม่ให้ก้มนักไม่ให้เลยนักเรีวยกว่าตั้งใจตั้งตัวคาว่าตั้งใจเนี่ยตั้งมดตัวถ้าใจมันยังหลงลืมไปง่วงเหงาหาานอนให้เตือนจิตของเราเวลานี้ให้ได้ วานี่มันสมาธิวานอนว่านอนก็แปลว่าลิงลิงก็แปลว่าวอกวอกสามสิบสองภาษาเหนือเขา ว, าวอกสามสิบสองีงนั่นเขาว่าวอกเขาบ่าว่าลิงเมืองเหนือเขา ว, าวอกมันวอกแวกถ้าใครเห็นรลียงจะรู้ได้เข้าใจ ไม่มีเวลาสงบจิตใจของคนเหล่านี้ก็คล้ายกันกันกบวานนอนคล้าย ก, กันกับลิงคือมันวอกแวกวันไว้อยู่เสมอไม่ว่าเสียงอะไรดังตก๊กแตกปุ๊กปิกรุนแรงเบาก็ะตามจยตนนั้นมันถึงวอกแวกไปแล้วไปตามเสียงเสียงดีกก็อยากฟัง เสียงเขาดุดาว่าลายป้ายสีให้ไม่ชอบโอดเกียรติขึ้นมานั่นแหละคือว่าเจ็ตไม่สงบตั้งนั่นในสมาธิภาวนาอนั้นถ้าจิตเราทุกคนผู้ใดก็าตามถ้ายังง่วงเหงาหานอนนิวรณ์ทางห้า การฉันพยาบาทถีนามิทะอุทธจักกุกุจักความพุ่งสร้างลำขาดวิจิกิจฉาถ้าจิตยังมีสงสัยนั่นบังสงสัยนี่บังคือจิตออกนอกทางนั้นแหละเจิตขาดสติสัมปชัญญะจิตไม่มีความระลึกอยู่ในตัวอ ย, ยู่ในใจเรานั่งสมาธิภาวนา มันก็ได้แต่เพียงระเบียดระเบียดนั่งแต่จิตมันไม่เป็นสมาธิให้มันหลงบรนลืมหลงลืมภาวนาขาดสติสตินั้นท่านว่าต้องใช้ในที่ทุกสถานในการทุกเมือ่อทางกาย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 อย่างว่านึกถึงความตายที่จะมาถึงตนนึกถึงพุทธโธคุณพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมะมเจ้านึกถึงพระสังฆเจ้าสิ่งเหล่านี้ถ้าตั้งใจนึกจริงจงจนเอาจิตใจของตนหายความง่วงเหาเหานอนได้จิตมันจะสว่างสวัยขึ้นมา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 คือมันจิตใจร้อนแล้วโอโยด้วยอำนาจของกิเลสนั้นเรียกว่ามันเป็นไฟไฟไหม้หัวใจมนุษย์และสัตว์ทางหลายเพราะมนุษย์และสัตว์ทางหลายขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดวิชาความรู้ในทางพุทธศาสนาเมื่อมันขาดแล้วมันก็บกคล่องไปหมด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 นุ่งผ้าเหลืองผ้าเหลืองใครก็นุ่งได้ในล่านค่าของเจ๊กของจีนเขาขายเสืย้ยผ้าเหลืองนะ่ะเยอะแยะไปไม่ใช่ผ้าเหลืองมันดีเจดคนเราที่ละเว้นจากความชั่วต่างๆเว้นจากข่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการกล่าวโมเสาว่าเว้นจากดื่มกินสุลาเมรัยเป็นต้น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 เจตอันเก่านั่นแหละเมื่อมันหลงมันก็เป็นสังขารมารเป็นมานคือสังขารเป็นกิเลสมารกิเลสราคะโทสะโมหะมันก็จิตนั่นแหละแห่งนั้นกิเลสโลเลพระองค์สอนให้ละเราละได้หรือยังเราตั้งใจจะละมันหรือยัง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 อาศัยกิเลสเกิดขึ้นอย่างไรก็ทำไปพูดไปโลกภายนอกจึงได้วุ่นวายเดือดร้อนเพราะมันขาดสติโลกภายในนักพจนักบวชผู้ปฏิบัติผู้ตั้งใจภาวานาหลับตามันก็ยังง่วงเหงาเหานอนเหล่านี้แหละคือว่ามันยังไม่ได้เตรียมเลิกละ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 รู้ไว้ก่อนว่าทำอย่างนั้นเป็นบาปพูดอย่างนั้นเป็นบาปคิดอย่างนั้นเป็นบาปลิมสติเป็นบาปขาดสติเป็นบาปมีสติเป็นบุญสติตัวเดียวแหละสำคัญถ้ามีสติขึ้นมาเมื่อใดเวลาใดเวลาปฏิบัติบูบชาภาวนามันมีอยู่ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอน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 หายใจทุกลมหายใจเข้าออกว่าเราเกิดมาแล้วนะมันขยับเข้าไปสู่ความตายทุกเวลาเวลาความตายมาถึงเข้าเวลามันจะเจ็บใครได้ป่วยขึ้นมามันมีได้ทุกเวลาเพราะเราไม่ตั้งใจไม่เจริญภาวนา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 ไม่ใช่ว่าตะขาบกัดแล้วเราก็มาเจริญภายหลังหรือว่าตะขาบกัดมือแล้วก็มาเจริญวิรูประเคหิเมเ ม, มตังเป่ามันไม่ได้ละมันเป็นผลละผลเจ็บลวผลทุกข์มาถึงแล้วต้องทำไว้ก่อนละมัธระวังไว้ก่อนเจริญไว้นึกไวหวต้องหาเวลา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 เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติธปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาละจานีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตปะวัตตวันตรายโย สุขีเทคาโยโกภวะอภิวาธานาสิริสนิจังวุธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพะลังนาบาดิถึงเวลานั่งสมาธิภาวนา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 พุทโธพุทธะเป็นชื่อเป็นพระนามของประพุติจาให้นึกให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกคือไม่ให้หลงลืมระวังจิตใจไม่ให้คิดแสสายไปภายนอกจ้องรวมเข้ามาสงบเข้ามา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 ในโรกนี้ไม่ใช่ของใครเป็นของกลางโลกเป็นของกลางในโลกร่างกายตัวตนของคนเราแต่ละคนก็เหมือนกันเป็นของกลางถ้าดวงจิต ด, ดวงใจผู้รูภของเราไม่มายึดเอาถือเอาเจตใจดวงผู้รูภคนอื่นผู้อื่นเขาก็มายึดเอาไปเป็นตัวตนของเขา เพราะว่าก้อนถาดกรรมาฐานอสุภกรรมาฐานอันนี้เมื่อมันตั้งขึ้นมาแล้วจิตใจมันก็มายึดเอาถือเอาว่าเป็นตัวเราของเราเมื่อได้ตัวนี้มาแล้วมันจะได้ทำตามอำนาจกิเลสความโกรธกิเลสความโลภความโลภะในจิตกิเลสความหลงมันจะได้ทำไปตามอำนาจของกิเลส แล้วกิเลสนี่แหละมันกบโผมัดลัดเลืงให้คนสัตว์ทั้งหลายมาติดอยู่ข้องอยู่มาหลงอยู่หลงโยในโลกในเสียงในกลิ่นในรสในพอพภะธรรมาลมความลุ่มหลงเหล่านี้มันกบโผลมัดลัดเลืงจิตใจของคนเราให้ติดอยู่ให้ข้องอยู่ในความลุ่มหลงเหล่านี้ เราจะต้องตั้งใจแก้ไขไม่ให้จิตใจมาหลงยึดหน้าถือตายึดชาติยึดตระกูลยึดคนยึดสัตว์ยึดแผ่นดินแม่น้ำลำคลองป่าดงพงไผ่ไม่ให้เมยยึดอะไรถืออะไรคือว่าอะไรมันอยู่ที่ไหนก็ให้อยู่ที่นั้นต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศมันอยู่ที่ไหนก็ให้รู้เท่าทัาน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 เมื่อมันเจริญไวยใหญ่โตแล้วก็มาหลงยึดหลงถือว่าเป็นตัวเราของเราของกูตัวก้พนที่สดเมื่อมันแตกดับทำลายมันตายไปธาตุดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่ไม่ได้ก็เรียกว่าตายเมื่อตายแล้วเอาไปได้ที่ไหนจิตใจไปดวงเดียวเท่านั้น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 สัพพิตโยวิวัตฉันตุสัพพะโลกโวินัสตุมาเตปะวัตตะวันตรายโยสุขีเทคายยโกภวะอภิวาธานาจิริษนิจังุตตาปจายโนยัตาโรธรรมะทัมติอายุวันโนสุขังภาลังเสงอื่นใดนอกจาก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 ใครจะว่าไลายว่าดีให้ก็เป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของลมปากเจ็ดอย่าไปรับเอาภาวนาถอนหน้าถอนตาถอนตัวถอนตนถอนตัวกูของกูตัวค่าของข่าตัวเราของเราออกไปพุทอจิตเป็นหนึ่งพุทอจิตรู้แจ้งพุทอจิตรู้จริง พุทโธอยู่ในตัวในใจไม่ใช่พุทโธอนอกกายนอกใจไปพุทโธไม่ต้องดูที่อื่นพุทโธดูกายให้ทั่วถึงพุทโธดูวาจาที่ตัวเองพดูพดพุทโธดูใจที่จิตใจมันคิดคิดภาวนาพุทโธในใจหรือไม่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 ถ้ามันแตกดับมันตายเมื่อใดเวลาใดกายนี่มันจะเนา่าเขียวแตกน้ำเหลืองไหลน้ำหนองออกมามันจะมีกลิ่นเหม็นไม่ได้กลิ่นหอมต่างหากว่าท้าเวลามันเปื่อยเผละอย่างนั้นแหละ เราจะไปนั่ง <c oughs> โย่ใกล้ก็ไม่ได้มันเหม็นสาดเหม็นข่าวเหม็นไม่เข้าทา่าหรือจะเป็นนั่งทานอาหารกินข้าวที่นั่นก็อาเจียนลากอกกินไม่ได้นี่ตัวเราก็เหมือนกันตัวเขาก็เหมือนกันคนที่เกิดมาในโลก